อาราันงสัมมาสัมพุทธโอภาควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอาราัน์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะควันตั้งอาภิวาเทมิ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 ธรรมนันมัสสามีข้าพระเจ้านามัสการพระธรรมสุปฏิปันโนพางขาวโตสาวกาสังโคพระสง์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว สังขังนามามิข้าพเจ้านอบน้อมประสงค์